บุกทูห้าสิบเจ็ดินเด็กเซพบหมอเชลากรัตซิสโตดิฉันมีนัดกับคุณหมอมีภาพัสเรนเดวุ่นเชลากรัตซิสโตดิฉันมีนัดตอนสิบนาฬิกา มีการนดหมายกัย่สิบสิบกชั่วโคุณชื่ออะไรคะเคลวินอมิจัสคารุนานั่งรอในห้องบอนโวลูซิเดจีเนลาอเตนเดียคุณหมอกำลังเดินทางมาลาครซิสโตทูยเวนอสคุณมีประกันกับบริษัทไหน ขี e เ ah uh uh i ยีย a ว a เอสต r สอเซคราตาดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหมขี้ยอนมิฟารูปรวิคุณมีอาการปวดไหมคะชูบิฮาวาสโดโลรอยเจ็บตรงไหนคะ k ี e เ o ยีย a โดโลรัสอัลวิดิฉันปวดหลังเป็นประจำา ดิฉันปวดหัวบ่อยมีอต์้ดิฉันปวดท้องเป็นบางครั้งมีฟวสวท ร, อรอถอดเสื้อออกค่ะบนวอล e นวสต์กิบิอ น, นอนบนเตียงตรวจค่ะบนอลุคุชิ r ิสต ความดันโลหิตปกติ VIA SANGO ESTAS NORMALA PREMO ดิฉันจะฉีดยาให้คุณมีอินเจกชิอัลส์วินดิฉันจะให้ยาคุณมี p r e s c r i บัสอัลวีพิโลลอยนดิฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยา มิด onas อ l จ i p r e ป็ r ส b ร n บ o น la a p า t e k น